ผมกลัวจนตัวสั่นแต่จะหนีก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันยืนอยู่ตรงประตูทางออกพอดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเคยได้รับการการันตีมาแล้วว่าเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวตึกที่สร้างขึ้นเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยนี้ว่ากันว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ เคยเป็นสุสารเก่าซึ่งนำศพของทหารที่ตายไปแล้วมาฝังในอดีตทำให้นักศึกษาบางตึกมักจะเจอผีอยู่บ่อยๆเจอกันทุกรุ่นบางคนก็เห็นเปรต ด, ด้วยทำให้ตึกบางชั้นนั้นว่างไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ในชั้นนั้นเลยตึกคุ้งผมนั้นเป็นตึกที่สิบสามอยู่ชั้นสามและห้องอยู่ตรงกับบันไดหนีไฟพอดี ตอนที่ผมเข้ามาอยู่ใหม่ๆนั้นก็ได้ยินเรื่องเล่ากันมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเย็นวันหนึ่งเป็นวันที่มีการซ้อมเชียร์กันด้านล่างของตึกพวกเราก็พากันลงไปซ้อมเนื่องจากว่าผมเป็นนักกีฬาของคณะซ้อมเสร็จก็ได้กลับมายังห้องพักก่อนตอนนั้นมีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กลับมาที่ห้องขณะที่กําลังจะไขประตูเข้าห้องก็เหมือนมีคนเดินผ่านหลังผมไป มันรู้สึกเย็นว่าที่กลางหลังแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคงเป็นเพียงลมจากทางนีไฟพัดเข้ามาเท่านั้นแต่ก็เอะใจหันไปดูพอมองไปก็เห็นประตูบันไดหนีไฟนั้นปิดอยู่แล้วลมที่พัดเข้ามาเมื่อกี้มันมาจากไหนถึงมันจะน่าสงสัยและแปลกอย่างนั้นแต่ในตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไร ผมไขกุญแจเปิดประตูเข้าห้องไปเปิดไฟเก็บของเข้าที่แล้วก็เดินออกไปหยิบผ้าเช็ดตัวที่ตากอยู่นอกระเบียงจากนั้นก็เข้าห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำขณะที่ผมกำลังหยิบสบู่เพื่อที่จะมาถูตัวอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังสวดมนต์อยู่ในห้อง ผมรีบปิดน้ำฝักบัวทันทีเพื่อฟังเสียงนั้นชัดๆว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอปิดน้ำฝักบัวเสียงนั้นกลับเงียบหายไปหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาขณะที่กำลังจะก้าวเท้าออกมานั้นก็เห็นรอยเท้าที่มีลักษณะเหมือนคนยืนเขย่งอยู่เต็มหน้าห้องน้ำไปหมดซึ่งผมมั่นใจว่าก่อนหน้านั้นรอยเท้าวพวกนี้มันไม่มีอยู่เลย และไฟในห้องที่ผมเปิดทิ้งไว้ก่อนจะไปอาบน้ำมันกลับดับเหมือนมีใครมาปิดแต่ไฟตรงหัวนอนที่ผมไม่ได้เปิดมันกลับเปิดซะอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงแต่ว่าเพื่อนคงจะกลับมาเอาของที่หัวเตียงแล้วรีบกลับลงไปโดยไม่ได้ปิดไฟที่หัวเตียงก็ได้หลังจากผมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็นอนเล่นทาอะไรไปตามภาษาสักพัก เพื่อนก็กลับมาห้องแล้วจะเข้าไปอาบน้ำตอนนั้นผมปวดท้องพอดีก็เลยจะเข้าส้วมห้องค้างๆด้วยซึ่งหอพักแห่งนี้จะมีห้องอาบน้ำกับห้องส้วมแยกกันคนละห้องขณะที่ผมนั่งส้วมอยู่เพื่อนผมอาบน้ำแต่มันดันลืมอะไรสักอย่างมันก็เลยเปิดประตูออกม า, าซึ่งตอนนั้นผมได้ยินเสียงเพื่อนกำลังคุยกับใครอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงคุยโทรศัพท์เฉยๆนั่นแหละหลังจากผมทำธทุระในส้วมเสร็จก็ออกมาเห็นเพื่อนมันนั่งอยู่บนเตียงแล้วแล้วมันก็ถามผมว่ามึงเป็นอะไรเปล่าวะมิกี้ทักไปแล้วก็ไม่ตอบหันหลังให้กูแล้วก็นั่งเงียบเลยนะมึงอะไรของมึงกูขี้อยู่ในห้องน้ำเพิ่งจะออกมาเนี่ยแหละตอนนั้นผมสังเกตได้ว่า สีหน้าของมันเปลี่ยนไปมันเริ่มหน้าเสียผมคิดว่ามันต้องเห็นอะไรแน่ๆหลังจากนั้นมันก็ออกไปหาเพื่อนอีกหอหนึ่งใกล้ๆกันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเพอของผมตอนนี้ผมอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็ลุกไปนั่งโต๊ะแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านบังเอิญว่ามีกระจกตั้งโต๊ะอยู่ข้างๆผมพอดี แต่ผมก็ไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่ระหว่างที่อ่านหนังสือไปสักพักใหญ่ผมก็เผลอหันไปมองกระจกนั้นแล้วก็เห็นเป็นรูปร่างของคนกําลังยืนหันหลังอยู่ตอนนั้นผมตกใจมากหัวใจเต้นแรงแทบจะวายแล้วก็มีเสียงพูดออกมาจากคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นมึงเห็นกูใช่ไหมผมช็อก ได้แต่นิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วเสียงนั้นก็ย้ําเตือนอีกครั้งมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นดําไมมึงไม่ตอบผมกลัวจนตัวสัน่นแต่จะหนี้ก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันยืนอยู่ตรงประตูทางออกพอดีเมื่อหาทางออกไม่ได้ผมก็เลยหลับตาแล้วค่อยๆขยับตัวเงียบๆไปที่เตียง แล้วนั่งนิ่งๆทำสมาธิพอลืมตายครั้งก็ไม่เห็นแล้วและเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เพื่อนผมกลับมาแล้วมันเปิดประตูเข้ามาผมดีใจแทบจะร้องไห้แล้วลุกลีลุกล่นรีบเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้มันฟังแน่นอนว่ามันไม่เชื่อคืนนี้ผมจะหนีไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้ผมเลยพยายามข่มตานอนเพื่อให้ผ่านพ้นคืนนี้ไป พอนอนไปได้สักพักหนึ่งหูผมก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้บริเวณหัวเตียงแล้วตัวผมก็ขยับไม่ได้มีอาการคล้ายผีอำ หายใจไม่ออกแต่ลืมตาได้ก็มองเห็นเพื่อนนอนอยู่แต่เรียกไม่ได้ตะโกนแล้วก็ไม่มีเสียงออกมาดินเท่าไรก็ไม่หลุดเลยตั้งสติพยายามสวดมนต์แต่ก็ไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีแผ่เมตตาซึ่งดูเหมือนมันจะได้ผลเด็กทารกที่หัวเตียงกลายล่างมาเป็นเด็กตัวน้อยนั่งอยู่ข้างๆเตียงผมแล้วก็ลุกวิ่งไปวิ่งมา และเมื่อผมกรอกลูกตามองไปที่ประตูก็เห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่แต่มองไม่เห็นหน้าผมขยับไม่ได้ย่างนี้ทั้งคืนเลยหลับตาตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ขอให้ผมรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ทั้งมวลแล้วจะนำดอกกุหลาบไปถวายท่านหลังจากจบคำอดิษฐานตัวผมก็เย็นวาวการหายใจติดขัดก็ดีขึ้น แล้วก็ขยับแขนขาได้เหมือนเดิมเช้าวันนั้นผมก็นำดอกกุหลาบไปถวายท่านตามสัญญาแล้วขอให้ท่านดูแลพวกเราตลอดจนเรียนจบหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้เลยแต่ก็แอ บ, บสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ผมเจอเขาเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่ สัมผัสสยอง